หลวงพ่อลงไปกรุงเทพเมื่อวันที่สิบแปดกลับมาวันที่ยี่สิบเอ็ดคือไปขราวนี้ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้วางแผนไว้ก่อนทราบข่าวว่าพระมรณภาพที่เป็นหมู่พวกเพื่อนท่านก็เคยมาเมื่อวันที่เนี่ยเมื่อวันที่สิบที่งานของเราท่านกามา แต่องค์ตายไม่ได้มานตะติดธุระองค์ที่เป็นเพื่อนกันมาพอเรารับทราบข่าวแล้วโอ้หน่าสลดสังเวชใจก็รีบนั่งเครื่องลงไปไปทราบข่าวเมื่อวันที่สนะิบเจ็ดรถประสบอุบัติเหตุที่ในระหว่างไปจวบกับชุมพรเอออำเภอบางสะพานน้อย สาเหตุก็คือฝนตกฝนตกถนนรื่นแล้วก็โซเฟอร์ขับเร็วเกินไปคึกขนองนะ่ะจะว่าอย่งงางนั้นก็ไม่น่าจะผิดก็ตามไม่จริงก็น่าจะน้ำมันนมันระวังเวลาฝนตกถนนรื่นแล้วก็ค่อยๆไปจะไปรีบเร่งอะไรอันนี้มันเด็กหนุ่มพอแสงปืดขึ้นไปเนี่แสงไม่พอพ้นเขาไปนะแล้วก็เบรกไม่อยู่มันเป๋นะ่ะมันรื่นไปเลยทนะี้ ไปพุ่งด้วยความแรงถนนลื่นพอลื่นไปอยู่กับหักพอหักขึ้นมามันก็จะชนรถคันที่เราแซงขึ้นไปหักไปหักมะสามสีหักเลยลงข้างถนนมันก็ไม่ล้มหรอกไม่พิกคว่ำหอกแต่ว่าฝาข้างไปกะแทรกกับต้นไม้ก็ทําให้ผู้ที่อยู่ทั้งหลังแต่หลวงพ่อบอกคอหักองนั่งหน้าเนี่ยมันเหวียงไปกระจกมันหลุด แขนของคงจะหลบออกไปแขนหักแต่องค์ไปข้างหน้าน่ะไม่สลบรู้สติอยู่แต่องค์หลังนี่ฟื้นขึ้นมาก็สลบอยู่ประมาณสิบกวนาทีมัฟื้นขึ้นมาก็เลยพูดไม่รู้เรื่องนะคงจะคอหักอย่างที่ว่านะท่านกุมรณะผับสาเหตุที่ท่านไปก็คือไปดูสถานีวิทยุ ข, ขององค์หลวงตา วิทยุเสียงทําเพื่อประชาชนท่า น, นก็ไปจัดงานที่มาวัดเราวัดนั่นวัดเราก็ให้ช่วยสถานีทั้งอำเภอเขาแหลมจังหวัดจันทบุรีวัดเขาแหลมเรียกว่าฟ้าผ่าสถานีแล้วก็ต้องการไปทอดพระป่าที่นั่นเพื่อช่วยสถานีเพื่อต้องการเงินหนึ่งแสนที่ก็หลวงพ่อได้นั่นก็เลย เสร็จงานวันนั้นวัดเราก็เลยถวายไปเพื่อสถานีวิทยุของหวงต า, าอย่างทนท่านเขาไปไปก็ไปทอดผ้าป่าก็ได้เงินห้าแสนกว่าห้าแสนเศษวันนั้นอันนี้ก็คือนั่นจากนั้นก็ดำเนินการได้จตนี่ท่านขเขาไปนั่นแหะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นแห่งๆว่าสถานีไหนดูแลชุมชนเขาฟังเขาฟังดีเขาอยากจะฟัง ท่านก็ไปช่วยๆสรุปแล้วก็คือท่านตายในหน้าที่ถ้าเป็นราชการก็บรรทายในหน้าที่คล้าๆกัว่าไปทําหน้าที่แล้วก็ประสบอุบัติเหตุถ้าจะว่าไปก็คือน่ายกย่องนับถือเชิดชูบูชานับใจไม่ใช่แบบไปแบบธรรมดาไปไปทําหน้าที่เพื่อคณะสงฆ์เพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อหมู่คณะ เพรนั้นหลวงพ่อได้ยินข่าวหลวงพ่อก็เลยปีลงไปเลยลงไปจะทําอะไรก็คือไปช่วยไปจัดงานควรจะจับกัดยังไงทํายังไงองค์หลวงตาได้ทราบข่าวท่านก็บอกว่าท่านจะตายเหรอเออเอาเอ า, เอามาไว้ที่สวนสวนแสงธรรมนะหรือศูนแสงธรรมที่ท่านบุก อ, อยู่นะั่นะนะ่ะวันที่สิบแปดนะหลวงพ่อลงไปศพก็ยังไม่มาจากนั้นเขาก็เอาศพมาจากจังหวัดประจวบ ขึ้นมาสวนเซ็งธรรมบ่ายถึงบ่ายประมาณบ่ายสี่โมงมั้งหลวงพ่อก็ไปถึงบักบ่ายสองสามโมงเนี่ยไปก่อนนะไปก็เล ย, ยาติจูงเขาก็เตรียมพร้อมอะไรละสถานที่ต่างๆจากนั้นก็หลวงพ่ออาจจะว่าไปก่อนเพื่อนก็ว่าได้พราพระผู้หยัดยังไม่ไปจากนั้นก็ทยอยกันไปเรื่อยๆมาดูจัดสถานที่พร้อมแล้วก็ตกตอนเย็น ก็ประชุมหารือกันเกี่ยวกับเราจะจัดยังไงแต่ถึงยังไงก็ต้องฟังองค์หลวงตาเพรหลวงตาเป็นผู้บัญชาเราเป็นเป็นผู้ปฏิบัติตามหลวงตาบอกไม่ต้องสวดเด้อพระพระตายไม่ต้องสวดพระกรรมฐานจะไปสวดอะไรล่ำรี่ล่ำไรคุกครีตีโมงกันเก็บศพไว้นั้นแหละส่วนที่จะเผาเมื่ อ, อไร่เดี๋ยวเราจะลงวันที่สามที่สองที่สาม แล้วจะจัดวันไหนแต่จุดแต่เราจะบอกอีกทีนึงอันนี้เกี่ยวไว้ที่นั่นะจะเผาที่ไหนเออแต่เราบอกเผาที่สวนแสงธรรมก็ได้ไม่เห็นจะขัดข้องที่ตรงไหนทีนี้ท่านก็ทางทางนู้นเขาก็ทางสวนแสงธรรมเขาบอกเราก็บอกว่าเผาไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเขาจะไม่ให้เผาศพเพราะเหตุใดเพราะว่ามนภาวะเป็นพิษ ถ้่จะเผาก็ต้องจัดเป็นเมนเอเป็นเมนให้มันถูกต้องให้เขาว่าเป็นเมน เ, เก็บฝุ่นเก็บท่อไอเสียลักษณะอย่างงั้นแหละไม่ให้มีฝุ่นกระจรกระจายออกไปที่จะเป็นบนภาวะเป็นพิษท่านเออท่านอยงนั้นกับเผาที่ไหนเห็วัดอศโศกกรามได้ไ ห, ไหมหรือว่าวัดท่านปุเจเฉะคณะสงฆ์ก็เลยปรึกษากันก่อเลยเอา ไปเผาวัดปู่เจีย๊ยบจะวันที่เท่าไรวันที่สิบแปดวันที่แปดวันที่แปดกรกฎาเป็นวันประชุมเพลิงชิดที่วัดภูริทัตะปฏิปทารามวัดหลวงปู่เจีย๊ยบจังหวัดปทุมธานีอำเภอสามโคกอันนั้นนั้นก็อ น, นั้นนะจากนั้นเราก็เลยประชุมหารือกันเมื่อไม่ไม่เผาศพระทวาำยังไงเอ้เมื่อไม่ไมสวดพริธรร ม, มแล้วทํำยังไง ญาติโยมมากแบบถูกศิษย์ลงตายไม้มทั่วกรุงเทพใครมาเห็นมีอะไรไหมมีอะไรเอากับมีอะไรไหมมีอะไรกกับหลวงพ่อคิดเออพวกเราน่าจะไปชุมกันก็เลยหารือกันบอกว่าปกตอนเย็นเนี่ยถึงจะไม่สวดกต่เราควรจะทําวัดเย็นเพื่อรวมในวงสาคณา ญ, ญาติถึงจะไม่สวดแล่ใคว่าเป็นการรวมกันรวมญาติเัรงนั้นแต่ให้เป็นสาสนาพิธีสักหน่อยดีไหม หมู่ก็ตกลงกันแล้วก็พร้อมกันหมู่ก็เสลอขึ้นมาว่าใครจะเป็นคนเฝ้าศพเนี่ยต่างองค์ก็ต่างเป็นเจ้าอาวาสด้วยกันเพราะท่านชิดกับเจ้าอาวาสท่านฉเฉลิมกับเจ้าอาวาสพวกพระที่มาเป็นเจ้าอาวาสกันทั้งนั้นเลยดูแต่ละวัดถ้าจะว่าไปภาระแต่ละองค์ก็หนักหนาของต้องต้องดูแลวัดของตัวเองเหมือนกันหรืออย่างน้อยก็กิจโทรละนิมนต์ญาติโยมก็องค์ต่างองค์ก็ต่าง มีของใครของเราบางพวกเราก็จะเกี่ยให้กันว่าองค์นั้นควรจะอยู่องค์นี้น่าจะอยู่เดี๋ยวมันจะขาดตกบกพ่องเด้เพราหลวงตาก็ไม่ได้อยู่วัดสวนแสงธรรมหลวงตาก็อยู่วัดบันตดนะัดไม่มีพระนะพระไม่มีนะมีแต่ญาติโยมดูแล้วมันจะดูไม่ดีนะท่ า, านอาจารย์เอาอยัางไงหลวงพ่อก็หรือเอาถ้าอย่างนั้นก็ไปชุมกันหาเรือเห็นด้วยไหมที่จะแต่งตั้งกันเอาเห็นด้วยเอาแต่เห็นด้วยกับผมองค์หนึ่งเป็นผู้อยู่เวร ลงพ่ออินอยู่เวรวันที่ยี่สิบตรอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเวลาแขกโนมากเอาอยู่ยังไงกินยังไงใช้ยังไงเวลาญาติโยมมากอเอาส่งช่วยกอนโดตอนรับแขกแต่หลวงพ่อก็เอาทัรัตนะพวกพระเป็นตัวแทนของหลวงพ่อนนะหลวงพ่อไปหาพักหนตัวแต่นั้นก็พวกนี้ก่อนรับดูแลแขกเยาวมุ่งวานให้จันาร์สุธรรม วัดน้องไผ่เป็นเวรของอาจารย์สุธรรมวันนี้เป็นเวรของท่านบุญทันอาจารย์บุญทันวัดจังหวัดเพชรบูรีอาจารย์บุญทันที่ไอ้สรีมงั้นวันต่อไปท่านอาจารย์วัดกกสะทอนอาจารย์นรงกุกสะทอนนั่นไล่ไปงั้นคือให้เป็นวันเป็นวันเป็นวันจนถึงวันที่สองวันที่สอง วัดมาจากวัดหลวงปู่ฟักแต่ไม่ใช่หลวงปู่ฟักนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟักพระผู้ใหญ่ให้มาเฝ้าล้วันที่สามองค์หลวงตาลงไปเออจากนั้นก็จบละท่าน่นตัวใครตัวเราบปในวันอยากย้ายกันพอองค์หลวงตาลงไปถึงแล้วแต่ก่อนองค์หลวงตายังลงไม่ถึงเนี่ยพวกเราต้องดูแลกันนะพี่น้อง ใครเจทุกอยากลำบากยังไงก็ต้องมาเฝ้ากันถามว่าใครองค์ใดก็ตามที่แต่งตั้งไปนี่ไม่มาตามไม่มาดูแลไม่เข้าเวนแสดงว่าขาดตกบกพร่องต่อนหน้าที่ไม่ไม่ใช่พี่น้องกันถ้ามว่าองค์ใดก็ตามเมื่อไดรับหน้าที่แล้วขาดตกบกพร่องอผมมาไม่ได้ครับผมติดธุระก็รีบบอกไม่ใช่ว่ารับไปแล้วเฉยเฉยไม่ทำไม่ได้นะ ต้องรับหน้าที่เอา้าเห็นด้วยไหมทุกองก็เห็นด้วยกันนั่นแหละอันนี้หลวงพ่อลงไปข่าวนี่เ็นสรุปแล้วคือลงไปจัดการจัดการให้เข้าล็อกเข้าที่แต่ถึงยังไงก็หมู่พวกเพื่อนน่ะเป็นหูเป็นตาร่วมกันจากนั้นก็ขึ้นป้ายขึ้นบอร์ดหมายกําหนดการออกมายังไงหลวงพ่อกับให้เขียนหมายกำหนดการออกมาอย่างน้อยก็ให้คนได้มาอ่านได้มาดูถึงจะไม่ชัดเจน ว่าวันไหนเวลาไหนแน่นอนแต่ก็ให้เป็นเวลาเข่าๆเอาไว้เด้อหลวงพ่อได้ขึ้นไป้ายไวแล้วอย่างนั้นเออผมเสร็จธุระแล้วนะผมก็เข้าเวนก็เข้าแล้วผมกลับก่อนนะหลวงพ่อก็เปิดแหนบเมื่อวานวันนี้ก็เมื่อวานท่านจุดทำอยู่ต่อนะท่านจุดทำอยู่ต่อพอเวนเสร็จแล้วคงจะกลับวัดเหมือนกันว่ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือพี่น้องสรุปแล้วก็คือพี่น้องอยู่ร่วมกัน มันต้องช่วยกันคิดถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในพี่น้องวงการของเราเราก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันรับภาระแทนองค์หลวงตาแทนพ่อว่างั้นอะองค์หลวงตาก็คือพ่อพวกเราเปในานะสิทธิ์สิทธิอนุสิทธิมีปัญหาเริ่อะไรเกิดขึ้นในพี่น้องก็ต้องช่วยกันเพราะว่าการสิิงเหล่านั้นมันคาดไม่ถึงมันคาดไม่ถึง ข่าวนี้ตาฆ่าขาวหน้าตาเองเหมือนกันเถอะไอ้คิดไว้อย่างนั้นอยู่เสมอข่าวนี้ตาฆ่าขาวหน้าตาเองเหมือนกันขาวหน้าอาจจะเป็นตาหลวงพ่ออิงก็ได้เป็นอย่างท่านอาจารย์ชิดเนี่ยน่พอนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้องค์อื่นก็ได้ท่านอื่นแล้วจะทํายังไงก็ต้องรับภาระร่วมกันอีกเหมือนกันเพราะในฐานะพี่น้องถ้าหากว่าตัวเองไม่รับผิดชอบไม่รับรู้รับทราบอะไรหมดทั้งหมด และเป็นยังไงต่างองค์ต่างเฉยเมยมันก็ไม่ถูกเพราะนั้นมันเสมอภาคกันเรื่องความตายเพราะนั่นให้เตรียมตัวไว้อยู่เสมอว่ามรณะเมภาวิสติให้ระลึกถึงความตายตัวเองไว้อยู่เสมอว่าข้าอจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งออย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะให้เตรียมตัวเอาไว้นะก่อนที่จะตายใจที่จะขาดออกไปเนะี่ยทําอย่างไรอหลวงพ่อก็ไปพูดในงานศพป น, นั้นเหมือนกัน แต่ก็มีคนบางคนก็ถามหลวงพ่อว่าเอา้าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเตรียมตัวได้ยังไงในเมื่อขณะที่วใจจะขาดอย่างนั้นหรือว่าใจหรือว่าจะตายอย่างนั้นจะเตรียมตัวยังไงเอา้าถ้าว่าผู้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเวลามารณะภัยเข้ามาถึงมันก็ต้องวิ่งปุ๊เข้ามาหาจับตัวผู้รู้ทันทีถ้าคนไม่ได้เตรียมตัวก็อย่างว่านะนะมังงูมมางงามังามงาม่งงูมังางงนะ่าเพราะมันไม่ได้เคยคิดไว้ก่อน เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องคิดไว้ก่อนคิดไว้ตั่วงหน้าไว้แต่นั่นเนิ่นว่าข้าน่ยจะต้องตายตอตอตอตอตอตอตอบริกรรมมายเยอะเตรียมตัวตายตเตรียมตัวตายข้าพรเจ้าต้องตายแน่ๆต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อความไม่ประมาทเพราะนั้นเวลามารณะภัยเข้ามาถึงเราก็ต้องวิ่งเข้ามาหาจุดที่เราเคยคิดไว้ก่อนแล้วอย่างพระอย่างเนี้ยเราก็ต้องวิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจ ใจตัวนี้แหละอย่าหลงกายนะร่างกายนะ่าต้องแตกแน่นอนนะเกิดมาพบใดชาติใดจะเกิดพบอีกชาติหนาอก็าตามเป็นเศรษฐีก็หาบอดีขนาดไหนกายเนี่ยก็ต้องตายร่างกายน่าไม่ใช่สวรรค์ที่มานะมาถึงจุดนี้แล้วกองเพลิงชัดๆที่ร่างกายจะแตกออกจากใจใจจะออกจากร่างกายเนะี่ยมันเป็นกองเพลิงที่มันจะออกจากกันมันจะแตกออกจากกันเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ที่สุดนะใจนะ อันนี้ก็คือใไอคิดไว้อยู่เสมอแต่บางคนบอกว่ามันจะเข้าจุดนั้นเราจะทํำยังไงนั่นแหละทาให้เตรียมพร้อมเหมือนกับฆ่าศึกศัตรูเข้ามาประชิดบ้านของเราเขายิงปืนเปียงปังเปียงปังเข้ามาแล้วจะฆ่าตัวเองอยู่แล้วตัวเองยังไม่ได้เคยคิดไปก่อนว่าก็โดดไปไปหาปืนมาลูกกระสุนมาเอาเข้าทางไหนว่ลูกกระสุนวะเอหักลํากล้องยังไงอย่ายัดเข้าไปยังไง จะเดียวไกลแย่จะเล็งยังไงมันจะทันเขาเหรอเพอเหตุใดเพราะว่าคาดศึกศัตรูมาประชิดบ้านเราแล้วเพราะนั้นเราต้องเตรียมก่อนพอได้ยินเสียงเปรียงป้างกระโดดปั๊บเขามากระชากพ่วงผ้าเขามาเตรียมพร้อมแหล่งเป้าเลยเหมงันกันเถอะ เ, เราจะเอาอยัางไงฮอันนั้นแปลว่าผู้เตรียมพร้อมถ้าไม่เตรียมพร้อมก็ย่างว่านี่ยนะมันก็ไม่ทนันมันลุ่มง่ามหุมงม่ำไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าตัวเองจะต้องถึงจุดนั้น แต่ทุกคนมันต้องถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนพุทธบริษัทลูกศิษย์ของท่านว่าให้ระวังให้ระมัดระวังให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะีเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่หลวงพ่อพูดทางนี้ตอนนั้นไม่ใช่ขู่นะเอาความจริงออกมาพูดจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆให้พวกเรานั่งคิดนอนคิ ด, นนคดมือกายหน้าผาก ค, คิดกอดอกคิดมือค่อยหลังคิดเถอะ แม้มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเอาความจริงออกมาพูดจริงๆในจุดนี้เพราะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมถ้าไม่เตรียมพร้อมไม่สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเสียชาติเกิดบ่างั้นน่ะไม่ได้สร้างสมคุณงามความดีไม่ได้เก็บหอมรอมริบบุญกุศลเข้าสู่จิตใ จ, ใจนะเนี่ยนะที่หลวงพ่อพูดในวันนั้นค่ะพูดในลักษณะทํานองนี้แหละแต่หลวงพ่อเขาพูดไม่มากที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ ขององค์หลวงตาไปสถานที่เคารพสักการะทุกองค์เข้าไปก็ต้องจะยกเคารพต่อสถานที่ต่อยาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาต้องให้ความเคารพอยู่ลึก ๆ, ๆ, ๆของจิตใจเพราะงั้น่ะอย่างเมื่อวา น, นหมู่พกเพื่อ น, นจัดอาสนะให้ตรงที่หลวงตานั่งแต่ตาไม่จริงไม่ใช่ที่นั่งของหลวงตาหรอกแต่ว่าตรงนั้นอะ หลงตาเคยนั่งเหมือนกนแต่ออย่างที่หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่ใช่อาสนะหลวงหลวงตานะคือเอาอาสนะของเรานะ่ะมานั่งตรงนี้หลวงพ่อก็ถามคุณชายว่าคุณชายหลวงตานั่งไหนเนี่ยที่ท่านมาสวนเสนาก็นั่งตรงที่หลวงหลวงพ่อนั่งโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเอาขยับเดี๋ยวนี้มาขยับลงไปจะไปหาตั้งทิ้งใจยังไงไม่ได้เลย เ, เดี๋ยวกีกากกินหัวพ่อกระว่างกันออ ระหว่างขี่กะ ก, กินหัวไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําเราจะไปนั่งที่พ่อแม่ครูบายจยา์เคยนั่งได้อย่างไรไม่ถูกนะอันนี้โดยมากพระทั้งหลายไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้สอนกันไมไ่ค่อยได้พูดกันแต่ตามไม่จริงสถานที่พ่อแม่ครูบาจาจย์เคยนั่งอันนั้นเป็นเจดีจุดนั้นน่ะแลูกศิษย์ลูกหาทุกคนจะต้องแสดงความเคารพจุดที่ท่านนั่งอย่างของใช้ของท่านก็เหมือนกันภิกษุใช้ ของใช้ของครูบาอาจารย์ร่วมกับครูบาอาจารย์ปรับอวบัตทุกกฎและ้ะทางจิตใจก็เสื่อมอีกต่างหากจิตใจที่เจริญก้าวหน้าทางสมาธิสมาบัติก็เสื่อมห้ามดื่มน้ําแก้วเดียวกับอาจารย์ให้ทราบเลยน้ําที่ครูบาอาจารย์ใช้จอกไปนี้ละ่ะเนียเราก็ไม่เห็นจอกไปอื่นเอามาใช้แทนปรับอวบัตทุกกฎอันนี้แหละคือรั่ ว, วใช้รองเท้าที่ท่านยังใช้อยู่สวมเข้าไปปรับอวบัตทุกกะ ถ้าว่าครูบาอาจารย์เดินไปท่านไม่มีรองเท้าคณะสิทธิ์เดินเข้ามามีรองเท้าเดินเข้ามาเกินกว่าสิบสองศอกปปบัตทุกกดภิกษุไปกาปราบปูชนียสถานอย่างพระพุทธโกูกพระเจดีย่างเนี่ยเดินใส่รองเท้าเข้าไปใกล้ในระหว่างสิบสองศอกปปบัตทุกกดอันนี้แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านถือสูงถือต่ำ เพระนั้นประเทศพม่าเขาพ่อไปกราบพระเจดีเขาจึงถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพแสดงความคาระวะนี่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่นั่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยนั่งเราต้องแสดงความเคารพของใช้ของท่านที่ท่านใช้แล้วห้ามใช้ไม่ใช่ว่าเห็นกาลามของท่านเอามาเทออกมานั้นเอามาใช้เฉยไม่ได้นะอันนี้คือเจดี เจดีย์ก็จะเป็นสถานที่เคารพของสิทธิ์แต่คนอื่นจะไม่เคารพาตามแต่สิทธิ์เนี่ยควรจะเคารพเพราะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ให้ที่ท่านให้ความรู้ความฉลาดแก่เราอย่างที่พระอา น, นุ์ก็เหมือนกันในพระไตรปิฎกเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระพุทธองค์เคยนั่งอยู่ตรงไหนพระอานุนจะค่อยค่ อ, ค, อคานเข้าไปแล้วก็ไปปัดกวาดตรงนั้นทําความสะอาดเช็ดถูตรงนั้นอันนี้คือพระอา น, นุ์ ไม่ใช่ว่าเดินโดดเดือดรุมร่ามเข้าไปไปเหยียบกระทั่งอาชนะของท่านไม่ใชนะ่นะนี่เวลาเห็นที่นั่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนอย่างพระพุทธองค์ประทับนอนอยู่ที่ไหนพระนอนุรู้เพอติดตามตลอดเวลาเวลาเข้าไปก็ต้องเข้าไปทําความสะอาดก็ต้องคลานเข้าไปแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยถอยออกมาเหมือนกับพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่นเอเฉพาะเฉพาะหน้าเหมือนกับพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่นั่นนอนอยู่ที่นั่น เมื่อเราเข้าไปทํำยังไงเมื่อท่านนอนท่านนั่งอยู่นั้นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าอันนั้นคือตรงที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งหรือประทับนอนเมื่อสิทธิ์เข้าไปพระนอนุนเข้าไปก็ต้องไปกวาดทำความสะอาดอด้วยความเคารพสักการะออย่างนี้อย่างพระอา น, นุนพระภิกษุเห็นว่าพระอานุนเย็บผ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผ้าขาด ก่อนพระ อ, อ น, นุนจะเย็บพระ อ, อ น, นุเอาตีนขีบเน่หมือนกับพวกเราเย็บผ้าต้องเอาตีนขีบข้างหนึ่งใช่ไหมเอาตีนขีบพอตีนขีบพระสงฆ์บอกว่าพระ อ, อ น, นุนขาดความเคารพปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่พระ อ, อ น, นุนพระ อ, อ น, นุนก็ยอมรับว่าใช่กระผมได้ทําอย่างนั้นจริงเนอกระผมขอยอมรับแต่ในใจแล้วไม่ได้แสดงความไม่เคารพแต่ว่าขาดไม่ถึงจึงได้เอาตีนขีบอถ้ายอย่างนั้นก็ไม่รู้ทํำยังไงก็เลยตีนขีบแล้วแต เอานิ้วเท้าขีดไปก็มาเย็บแต่งลักษณะ น, นั้นแหะเย็บผ้าจีวรเย็บผ้าของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นแ่ะพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราแสดงความครบอวุโสพันเตกันแต่สิ่งเหล่านี้มายุคนี้สมัยนี้แล้วรู้สึกว่าอเจ็บเยียบย่ําไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําตามประเพณีของพระพุทธศาสนาตามเพณีของพุทธะแล้วระยะสงสาวกของ พระพุทธองค์แล้วนะให้เคารพกันอย่างนั้นนะจิตใจยังค่อยเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราจะเอามาใช้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าพ่อแม่พ่อปู่ย่าตายายนั่งอยู่จะยกอะไรข้ามหัวท่านยกอะไรหยิบอะไรท่านอนะโดยที่ไม่ได้แสดงความเคารพไม่ได้ขอโอกาสท่านไม่ถูกต้อง เพราะด้านหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านสอนมากในจุดนี้เวลาจะเอาอะไรที่ใกล้ท่านก็ต้องปนมือซะก่อนขออกาศกับผมจึงจะได้อันนั้นออย่างนี้หรือว่าอยากจะได้อะไรก็ขอปนมือก่อนขออกาศกับผมอยากจะได้อันนั้นถ้าจะจะให้ท่านยื่นของมาให้ขออกาศกับผมขอตรงนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะให้อยื่นอันนั้นมาให้ผมหน่อยครับยื่นอันนี้มาให้ผม่ะไม่ได้ท่านว่าแสดงความไม่เคารพ กลับเอาบัตรทุกกฎแก่สิทธิ์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะว่าถือว่าบริขารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราเห็นไหมเนื่อเมื่อท่านหลวงรับดับขันไปเห็นไหมบริขารหลวงปู่มั่นเป็นเจดีใช่ไหมเป็นที่เคารพสักการะของสิทธิ์ที่เคารพสักการะใช่ไหมแต่สิทธิ์บางคนก็อย่างว่าสิทธิ์เลือกขอ อะไรก็ไม่รู้จากเสมอกันหมดเพ้อเพ้อปราศาทตีเสมอรกระทังอาจารย์ขึ้นไปนั่งอาจารย์เอารูปอะไรมาเรียงคู่กับอาจารย์บางคนเขาเห็นเขากะกะอก้อวนอย่างญาติโยมบางคนเขาบอกว่าทำไม่รูปของคุณแม่กับรูปคนนั้นจะวางติดกันดูไม่ดีอันนี้คื อ, คอพูดที่เขาถือสูงถือต่ํามองดูแล้วมันขวางือ ขวางหงขวางตาอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะเราจะไปนั่งณสถานที่ใดถิ่นใดเราต้องถามบ อ, อกเอออันตรงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานั่งใช่ไหมใช่เออเอาขยับมาจะไปหาดังตรงนั้นตรงนั้นคือเป็นเจดีของพวกเราติ่จะต้องเคารพสักการะเอออันนี้นะ่ะอันนี้ก็ให้รู้จักสูงเลยให้รู้จักต่ําำนํามาใช้กับครูบาอาจารย์หลงลําโรงเรียนก็เหมือนกันเ อ, อ่านักเรียนสอนนักเรียนก็ให้รู้จักอันนี่คือครูบาอาจารย์ ที่ให้ความรู้ความฉลาดแก่ลูกแก่หลานอันนี้พระสองฆ์องค์ก็เจ้าก็เหมือนกันอันนี้ก็คือกลูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ความฉลาดสอนธรรมะเข้าสู่จิตใจให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ก็คือมันต้องบอกกล่าวกันสอนกันแนะนํากันอืมอันนี้เป็นว่าทางว่าผู้ใดก็ตามให้รู้จักสูงรู้จักต่ําแล้วดูแล้วก็งามสวยงามทําอะไรก็เออพร้อมพร้แป๊บ นั่งคุกเข่าทําอะไรดูไม่ใส่หัโกงโกงเกงเกงงงงง่างง้างยกข้ามหัวกันไปดูดูดแล้วมันอย่างไรอย่างไรอ่า เ, เ, เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เ่าสัมมาคารวะให้รู้จักสัมมาคารวะให้รู้จักสูงรู้จักต่ําให้รู้จักกาละเทสะบุคคลสรุปแล้วก็คือไม่หนีจากจุดนี้ไงกาละเทสะบุคคนการสถานที่บุคคลจะทำอย่างไงควรจะปฏิบัติอย่างไรยนะ ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้ได้พูดถึงการล้มการตายการตายของพระนะอพระก็ตายเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่ตายเป็นแต่ชาวบ้านนะเพราะนั้นพวกเราเป็นพระนะฮะไม่มีใครพย า, มายมัจจุลาดยมภบานพยาบัญจุลาดไม่เลียกลีหนีใครทั้งหมดนะ่ถ้ามาพวกเราอย่างอย่อยางนี้ก็ต้องนะจะต้องพยายามบรรจุลาดไม่เลือกใครทั้งหมดเพราะนั้นให้ เตรียมตัวเอาไว้นะระมัดระวังจากนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับมรณงเมภาวิจตติให้พวกเราระลึกไว้อยู่เสมอตตอๆเตรียมตัวตายอีกสักวันหนึ่งวีซ่ามาถึงพวกเราก็จะต้องเดินทางต่างประเทศหายเหยียบไปไปทีละคนละคนปู่ย่าตายายของพวกเราลมหายตายจากไปมากต่อมากแล้วพวกเราก็จะต้องเดินตามหลังทท่านนะ ไม่เป็นอย่างอื่นแต่พวกเราได้เตรียมสเสบียงเดินทางไว้แลยย้งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อกี้จากนั้นก็ได้พูดแสดงถึงความเคารพสักการะสถานที่ต่างๆควรทําตนอย่างไรอันนี้ก็น่าศึกษาเหมือนกันนะ อ, อนําไปประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกแล้วความสวยงามก็จะเกิดขึ้นกับผู้นั้นผู้ได้ยินได้ฟังก็เคารพนับถือเ อ, อเพราะว่าคนพูดมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนดีทั้งนั้นละ่ะ ท่าออกไปที่ไหนแข็งกระด้างไม่รู้จักตัวเองว่าแต่ตัวเองเก่งกล้าสามารถนีอันนั้นนะ่ะไม่รู้จักครูบาอาจารย์คนอื่นผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเห็นก็นั่นนะ่ะเขาจะว่า ย, ยังไงลนะกะกวนยัวนงลักษณะอย่างนนะั้นแต่ไม่กล้าพูดออกมาไม่รู้จะพูดยังไงเพราะนั้นพวกเราต้องตรวจตรารดตูตนเองอยู่เสมอนะอาวันนี้จะพูดแต่ความคิดให้แก่พวกคณะ พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้ฟังยาวพอสมควรนะตอนนี้ไปรับพรนะนักธนีนะอนุมธนาให้ก